ความรู้ไม่ได้สืบปก่าอะไรทังร้งหมดคำถามนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยนั่คือค่ือคือที่พูดรู้ว่าเวลาที่ท่านอภรนานี้สัญญาขันเวทนาสัญญาสังขารวิญาญาณไวนี้ดับหมดดับร ล, ลงทันที่ดับิตาพไม่เหลืเลยอ่ะแล้วตอนนี้เวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมถึงรูง้ครับรู้ตอนมถารนั้นา ม, ม, า ม, ามายุ่งเหร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 คือเราก็เราก็การสังงาของเราเนี่ยจะจับเอาตอนที่มันสนิทตอนนั้นไม่รู้ว่ามันสนิทไม่นสนิทหรอนะแต่ตอนนั้นนะออกมารามล้วคำรู้อัญยาเนี่ยไปจับอันเดิมมาพูดถ้าสัญญาไปจับตัวเดิมมาพูดก็หมายความว่ามันไม่ได้จับสนิทกนะันนะก็หมายความว่าเวลาที่ถึงขณะที่เอจิตเป็น สมาธิถึงขั้นอัปนาสมาธิแล้วตั ว, ต, วตัวสัญญาขันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดับสนิทถึงไปไปไปจังมาได้แ ล, แล้วคุณชายเขาจะมันหลับสนิทมีไหมมันหลับสนิทมีไหมล่ะกระผมว่ามีครับหลับสนิทแล้วคุณชา ย, าย<ว>เคยหลับสนิทดีไหมวะอ๋อผมเคยหมายถึงนอนหลับสนิทใช่ไหมครับเคยครับแล้วเนี่เอามาพูดแทนไหมล่ะคุณชายเอามาพูดแทนไหม ไ, มไหมว่าคุณหลับสนิทดี ตื่นขึ้นมาแล้วแหม่มหดดตื่นยังหลับเป็นอีกดีบางทียังเจ้าตื่นกว่าแม่เหมือนตายเลยว่าอไรนั่นคือตอนนั้นมันก็ไม่อะไรอละตอนถอนเหมือนี่มันไปจับเพรานั่นคือทีนี้มันมีรำทำงานต้ันไปจับเพานั้นมาพูดตอนไม่ทํางานก็มีเฉพาะคือติตเวลาขนาดที่มันหลับขนาด น, น, นั้นแล้วมันก็มีอทั้งหมด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 พอดีโกกดีใจพ็ถึงนันละวันจะทาละใครน่ายพระพุทธเจ้าท่านทรงขาไว้ท่านนั่นน่ะการจะทำลใ่นายะคงก็ทรงข้าไว้แล้ ว, ว, วแล้วปัดธรรมามาพระนลว่านนจะเสียใจคือตอ น, ท, ท, น ท, ท่านนลร้องไห้นี่การทีท่พระพุทเจาจะไปริพานะแล้วธรรมมาจะเสียใจแล้วเขาจะเป็นผู้ไม่มีเป็นผู้สิ้นชีวิตไม่มีชีวิตใน วันทำตาไห้นายนั่นแหละถ้าคูณจะย่กเลยอย่างนี้นะ่าที่ท้าหนุนก็คืดนั่นพอถึงวันนั้นก็เร่องความเพียรนั่นแหลมีแจะับจะบรรลุจะบรร ล, ลุท่านั้นหท น, นี้ไองานก็เลยไม่ทำที่บ้านนมจะบรรลุท่าเดียวเดียวคน น, วนี่ทำไงจระทท่สว่างพอสว่างขึ้นมาตอนทา้าตนหลังก็จะทำตาไห้นายจะทาเพียรนี่ เป็นแย่เอ้ยทงานนี่ไม่ได้เรื่องเพราะอะไรนั่นคือถอนอุปทานขึ้มันไปยุดมัอยู่นี่นะแล้วองนั้นร่วมตัวนอนนอนนีพอนอนลังไมถึงหมอนอายุสิสี่ทัเรียกว่าอายุสิบวันเพราะว่ายืนก็มาใช่เดินก็มาใช่นั่งก็าใ่นอนก็มาใช่คือพอเอลงไปจะถึงหมอนพอเอลงไปยังไม่ถึงหมอนมนุ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 การทำไข่ไนนี้แล้วพรเจาจะประสงค์ว่าจะปฏิจจค้าพรนนกันม่ได้พเพราะพระนุนเป็นตรงสุขน่าจะยังไม่ถึงมดุดขุดค้นเป็นพรารีตามแต่ถ้านนจะเว้พระนุนไไม่ได้เ น, น, น, นี่ยการทำไไนนี้พนจะต้องเข้าสู่ที่ประ า, าุมไข่ไนนแน่ๆระารหพระพทจ้าก็ทรงทำนานไว้แล้วด้วยถาย่างนี้ยึดจะพอ เห็นท่าบริการแล้วก็ทอดทุระนะคือความคิดมันจะนี่มันก็ปล่อยหมดจิตตอนที่เป็นกาลางนี่คือปล่อยเนาเป็นกลางมันพับออกองนั้นแล้วจิตลวนี่ธรรมทิฏฐิในใจแล้ ว, วทำงานอะไรอยู่ก็ไม่เฉยก็บั น, นรุกดำอยู่อ่ะคือตอนการจิตมารวมกลุ่แล้วก็อยู่สมอแล้วก็เห็น เน่แม้แต่ขาที่บรรลุก็ต้องเป็นกลางกนามีมัชชิมานี่ยดูมัชชิมานะต้งตามบรรลาธรรมแม้แต่อยูปในบรรลุในส่วนของธรรมจิดจิตเรื่องมันนั้นบรรลุไม่ได้จมันมรนลุอยู่ในเครื่องเงารสธมญา ต่ว่าอาระาา์าำงานอยกํกำลังธุดมุนวายนี่นะบรรลุข้อยอย่างไหนฉะนั้นอาจารย์นี่ก็ไม่สนากันเือกันนะที่ไม่สนิก็คือชนิทความที่เป็นกลางจิตเป็นกลางสนิทใจมากคำรา ง, งพิญนาคธุดงุ น, น, นวายนี่นั่ง น, นั่งร้อยบรรลุเับาิดเข้าไปอยู่ที่เดียวแนวเลย <S <S นี่มันม ก, ก็เข้าอยู่เหมือนกันไม่ใช่กะ